ธรรมบทแปลเรื่องที่176เรื่องอุตราอุบาสิกาข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงทำรรพัฒกิจในเรือนของนางอุตราแล้วทรงปรารพอุบาสิกาชื่ออุตราตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า อกโคเทนะชิเนกโกทังเป็นต้นตอนนายปุณนะยากจนต้องรับจ้างสุมณะเสรษฐีอนุปุพีคถาในเรื่องอุตตราอุบาสิกานั้นดังต่อไปนี้ได้ยินว่าคนขัดสนชื่อปุณนะอาศัยสุมณะเสรษฐี รับจ้างเลี้ยงชีพอยู่ในกรุงราชครืในเรือนของเขามีคนสองคนเท่านั้นคือภรรยาของเขาคนหนึ่งทิดาชื่อนางอุตราคนหนึ่งต่อมาวันหนึ่งพวกราชบรุษทาการโฆษณาในกรุงราชครืว่าชาวพระนครพึงเล่นนักสัตว์กันตลอดเจ็ดวัน สุมณเสถีได้ยินคำโฆษณานั้นแล้วจึงเรียกนายปุณ น, นะผู้มาแต่เช้าตรู่กล่าวว่าพ่อปริชนของฉันประสงค์จะเล่นนักสัตว์กันแกจะเล่นนักสัตว์กับเขาหรือหรือว่าจะทำการรับจ้างนายปุณ น, นะนายชื่อว่าการเล่นนักสัตว์ ย่อมเป็นของพวกท่านผู้มีทรัพย์ก็ในเรือนของผมแม้ข้าวสารจะต้มข้าวต้มเพื่อรับประทานในวันพรุ่งนี้ก็ไม่มีผมจะต้องการอะไรด้วยนักสัตว์เล่าผมเมื่อได้โคก็จากไปไถนาสุมาเศรษฐีถ้าเช่นนั้นแกจงรับโคไปเถิด เขารับโคตัวทรงกำลังและถายแล้วพูดกับภรรยาว่านางผู้เจริญชาวนครเล่นนักสัตว์กันฉันจะต้องไปทำการรับจ้างเพราะความที่เราเป็นคนจนวันนี้เจ้าพึงต้มผักซักสองเท่าแล้วนำพัดไปให้เราก่อนแล้วจึงได้ไปนาตอน พระสารีบุตรเถระไปส่งเคราะห์นายปุณ น, นะในการนั้นพระสารีบุตรเถระเข้านิโรธสมาบัติตลอดเจ็ดวันแล้วในวันนั้นออกแล้วตรวจดูว่าวันนี้เราควรจะทำความส่งเคราะห์แก่ใครหนอแลเห็นนายปุณ น, นะซึ่งเข้าไปในภายในข่าย คือยานของตนแล้วจึงตรวจดูว่านายปุณณนี้มีศรัทธาหรือหนอเขาจะอาจทำความสงเคราะห์แก่เราหรือไม่ทราบความที่เขามีศรัทธามีความสามารถจะทำการสงเคราะห์ได้และเขาจะได้รับสมบัติใหญ่พระบุญ น, นั้นเป็นปัจจัยแล้วจึงถือบาตรและจีวร ไปยังที่นาของเขาได้ยืนแลดูพุ่มไม้พุ่มหนึ่งที่ริมบ่อ น, นายปุณณ์เห็นพระเถระแล้วจึงวางไถไหวพระเถระด้วยเบญจางขประดิ์แล้วคิดว่าพระเถระคงจะต้องการไม้สีฟันจึงได้ทำไม้สีฟันให้เป็นกัปยะถวาย ลำดับนั้นพระเถระได้นำเอาบาตรและผ้ากรองน้ำออกมาให้เขาเขาคิดว่าพระเถระาจาักมีความต้องการด้วยน้ำดื่มจึงถือเอาบาตรและผ้ากรองน้ำนั้นแล้วได้กรองน้ำดื่มถวายพระเถระคิดว่า น, นายปุณานี้อยู่เรือหลังท้ายของชนเหล่าอื่น ถ้าเราจากไปสู่ประตูเรือนของเขาภรยาของนายปุณน์นี้จะไม่ได้เห็นเราเราจะต้องอยู่นะที่นี้แลจนกว่าภรยาของเขาจะเดินทางนำพัดมาให้เขาพระเถระได้ยางเวลาให้ล่วงไปเล็กน้อยที่นั้นเองทราบความที่ภรยาของนายปุณณะนั้นขึ้นสู่ทางแล้ว จึงเดินมุ่งหน้าไปภายในพระนครตอนภรรยานายปุณณนะถวายพัดแก่พระเถระนางพบพระเถระในระหว่างทางแล้วคิดว่าบางคราวเมื่อมีทยธทามเราก็ไม่พบพระผู้เป็นเจ้าบางคราวเมื่อเราพบพระผู้เป็นเจ้า ยธรรทไม่มีก็วันนี้เราได้พบพระผู้เป็นเจ้าแล้วทั้งธยธรรมก็มีอยู่พระผู้เป็นเจ้าจากทำความสงเคราะห์แก่เราหรือหนอแลนางวางภาชนะสายพัดลงแล้วไหว้พระเถระด้วยเบญจางค้าประดิษฐ์แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าคิดว่า พัดนี้เศร้าหมองหรือประนีตจงทําความสงเคราะห์แก่ธาตุของพระผู้เป็นเจ้าเถิดพระเถระน้อมบาดเข้าไปเมื่อนางเอามือข้างหนึ่งรองภาชนะอีกข้างหนึ่งถวายพัดอยู่เมื่อถวายพัดไปได้ครึ่งหนึ่งจึงเอามือปิดบาดด้วยพูดว่าพอแล้วนางกล่าวว่า พระคุณเจ้าส่วนเพียงส่วนเดียวที่ฉันไม่อาจทําให้เป็นสองส่วนได้พระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องทําความสงเคราะห์แก่ท่านของพระผู้เป็นเจ้าในโลกนี้จงทําความสงเคราะห์ในปรโลกเถิดที่ฉันประสงค์จะถวายไม่ให้เหลือเศษเลยดังนี้แล้วก็ได้ใส่พัดทั้งหมดลงในบาทของพระเถระ แล้วทำความปรารถนาว่าดิฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วนั่นแหละพระเถระกล่าวว่าจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดยืนอยู่นั่นแหละทำอนุโมทนาแล้วได้นั่งทำพัตกิจนที่สะดวกด้วยน้ำแห่งหนึ่งฝ่ายนาง กลับไปหาข้าวสารหุงเป็นพัดแล้วแม้นายปุญนะไถ ท, ที่ได้ประมาณครึ่งกรีดไม่อาจทนความหิวได้จึงปล่อยโคเข้าไปยังร่มไม้แห่งหนึ่งนั่งคอยดูทางอยู่ลำดับนั้นภรรยาของเขาถือพัดเดินไปพอเห็นแล้วก็คิดว่าเขาถูกความหิวบีบคั้น นั่งคอยดูเราอยู่แล้วทว่าเขาจากคุกคามเราว่าเจ้าชักช้าเหลือเกินแล้วเอาด้ามประตักฟาดเรากรรมที่เราทําแล้วจะเป็นของไร้ประโยชน์เราจะต้องชิงบอกแขกเขาก่อนทีเดียวดังนี้แล้วจึงกล่าวอย่างนี้ว่านายวันนี้ท่านจงทำจิตให้ผ่องใส สักวันหนึ่งเถิดอย่าได้ทำกรรมที่ดิฉันทำแล้วให้ไร้ประโยชน์ก็ดิฉันนำพัดมาให้ท่านแต่เช้าตรู่พบพระธรรมเสนาบดีในระหว่างทางจึงถวายพัดของท่านแก่พระเถระนั้นแล้วไปหุ่งพัดมาใหม่จงทำจิตให้เลื่อมสายเถิดนายเขาถามว่าเจ้าพูดอะไร นางผู้เจริญได้สดับเรื่องนั้นซ้ำอีกแล้วจึงพูดว่านางผู้เจริญเจ้าถวายพัดของเราแก่พระผู้เป็นเจ้าทำความดีแล้วเที่ยวเช้าตรู่วันนี้แม้เราก็ได้ถวายไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากแก่พระผู้เป็นเจ้าแล้วมีใจเลื่อมใสเ พ, เพลิดเพลินถ้อยคำนั้นแล้วเป็นผู้มีกายอ่อนเพลีย เพราะได้พัดในเวลาสายผ้าศีษะบนตักของภรรยานั้นแล้วก็หลับไปตอนทานของสองสามีภรรยาอํานวยผลในวันนั้นครั้งนั้นที่ที่เขาไถาไว้แต่ช้าตรูได้เป็นทองคำเนื้อสุกทั้งหมดจนกระทั่งฝุ่นละอองดิน ตั้งอยู่งดงามดุจกองดอกกนิกาเขาตื่นขึ้นและเห็นแล้วจึงพูดกับพระยาว่านางผู้เจริญที่ที่ฉันไถ่แล้วนั่นปรากฏแก่ฉันเป็นทองคำทั้งหมดเพราะฉันได้พัดสายเกินไปตาจะลายไปกระมังหนอแม้ภรยาของเขาก็รับรองว่าที่นั้น ก็ย่อมปรากฏแม้แก่ดิฉันอย่างนั้นเหมือนกันเขาลุกขึ้นไปในที่นั้นจับก้อนหนึ่งตีที่งอนไถ่แล้วทราบว่าเป็นทองคำจึงคิดว่าโอ้ทานที่เราถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีแสดงผลในวันนี้เองก็เราไม่อาจที่จะซ่อนซับประมาณเท่านี้ไว้ใช้สอยได้ จึงเอาทองคําใส่เต็มถาดข้าวที่ภรรยา น, นำมาแล้วได้ไปสู่ราชตรกูลมีโอกาสอันพระราชาพระราชาทานแล้วจึงเข้าไปถวายบังคมพระราชาเมื่อพระองค์ตรัสว่าอะไรพ่อจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทวราชที่ที่ข้าพระองค์ไถยแล้วในวันนี้ทั้งหมด เป็นที่เต็มไปด้วยทองคําทั้งนั้นตั้งอยู่แล้วพระองค์ควรจะรับสั่งให้ขนทองคํามาไว้พระราชาท่านเป็นใครนายปุณ น, นะข้าพระองค์ชื่อปุณ น, นะพระราชาก็วันนี้ท่านทําอะไรเล่านายปุณ น, นะช้าตรูวันนี้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 แล้วตรัสถามว่าพ่อเราจะทําอย่างไรนายปุ่นนะขอพระองค์จงส่งเกวียนไปหลายๆพันให้นําทองคํามาเถิดพระราชาทรงส่งเกวียนทั้งหลายไปแล้วเมื่อพวกราชบรุษพูดว่าเป็นของพระราชาถือเอาอยู่ทองคําที่เขาถือเอาแล้วเอาแล้ว ย่อมเป็นดินอย่างเดิมพวกเขาไปทูลพระราชาอันพระองค์ตรัสถามว่าก็พวกเจ้าพูดว่าใครจึงถือเอาจึงทูลว่าพูดว่าเป็นพระราชทรัพย์ของพระองค์พระราชาหาใช่ทรัพย์ของเราไม่พวกเจ้าจงไปจงพูดว่าเป็นทรัพย์ของนายปุนนะ ถือเอาเถิดพวกเขาทำอย่างนั้นทองคำที่เขาถือแล้วถือแล้วได้เป็นทองคำแท้พวกเขาจึงขนทองคำนั้นทั้งหมดมาทำเป็นกองไว้ที่ท้องพระลานหลวงทองคำทั้งหมดนั้นได้เป็นกองสูงประมาณ8ปสบศอกตอนนายปุณนะ ได้รับตำแหน่งเศรษฐีพระราชาทรงรับสั่งให้ชาวพระนครประชุมกันแล้วตรัสถามว่าในพระนครนี้ใครมีทองคำถึงเพียงนี้บ้างชาวพระนครไม่มีพระเจ้าค่าพระราชาก็ควรจะให้อะไรแก่นายปุณณะเล่าชาวพระนคร ชัดสำหรับเศรษฐีพระเจ้าค่าพระราชาตรัสว่านายปุณณะจงเป็นเศรษฐีชื่อพระหุธนะเศรษฐีแล้วได้พระราชทานฉัดสำหรับเศรษฐีแก่เขาพร้อมด้วยโภคคามากมายครั้งนั้นเขากราบทูลพระราชานั้นว่าข้าแต่สมมตติเทวราช ้าพระองค์ทั้งหลายอาศัยอยู่ในตระกูลอื่นตลอดเวลาถึงเพียงนี้ขอพระองค์ได้โปรดประธานที่อยู่แก่ข้าพระองค์เถิดพระราชาตรัสว่าถ้ากระนั้นท่านจงดูกอไม้นั่นปรากฏอยู่ทางด้านทักษิณจงนําเอากอไม้นั่นออกให้ช่างทำเรือนเถิดดังนี้แล้วก็ตรัส บอกที่เรือนของเศรษฐีเก่าเขาให้ช่างทำเรือนในที่นั้นโดยสองถึงสามวันเท่านั้นทําเคหัเปาเวสนมงคลและชตรมงคลเป็นงานเดียวกันได้ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเจ็ดวันครั้งนั้นพระสัสดาเมื่อจะทรงทมอนุโมทนาแก่เขา จึงตรัสอนุบุตีคถาแล้วในการจบธรรมกถาชนทั้งสามคือปุณเศรษฐีหนึ่งภรยาของเขาหนึ่งนางอุตราผู้เป็นธิดาหนึ่งได้เป็นพระโสดาบันแล้วตอนธิดาปุณเศรษฐีได้เป็นภรยาสุมนณเศรษฐี ในการต่อมาเศรษฐีในกรุงราชครืขอทิดาของปุณณเศรษฐีให้บุตรของตนเขาพูดว่าผมให้ไม่ได้เมื่อเศรษฐีในกรุงราชครื้พูดว่าจงอย่าทำอย่างนั้นท่านอาศัยฉันอยู่ตลอดเวลาถึงเพียงนี้ทีเดียวจึงได้สมบัติจงให้ทิดาแก่บุตรของฉันเถิด จึงกล่าวว่าบุตรของท่านนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนทิดาผมเหินห่างจากพระรัตนตรัยทั้งสมแล้วไม่อาจเป็นไปได้ผมจึงจกยกทิดาให้บุตรของท่านนั้นไม่ได้เลยครั้งนั้นกุลบุตรทั้งหลายมีเศรษฐีและกะหัรดีเป็นต้นเป็นอันมากวิงวอนเขาว่า อย่าทำลายความสนิทสนมกับด้วยเศรษฐีในกรุงราชครื้นั้นจงยกธิดาให้บุตรของเขาเถิดเขารับคำของกลุบุตรเหล่านั้นแล้วได้ยกธิดาให้ในดิถีเพนเดือนอาสาลหะจำเดิมแต่เวลาไปสู่ตระกูลสามีแล้วนางมิได้เพื่อจะเข้าไปหาภิกษุหรือภิกษุณี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 เหตุไฉนบิดาจึงขังดิฉันไว้ในเรือนมีรูปอย่างนี้การที่บิดาทำฉันให้เป็นคนเสียโฉมแล้วประกาศว่าเป็นทาสีของชนพวกอื่นยังจะประเสริฐกว่าการที่ยกให้แก่ตระกูลมิฉาทิธเห็นป่านนี้ไม่ประเสริฐเลยตั้งแต่เวลาดิฉันมาแล้วดิฉันไม่ได้ทำบุญแม้สักอย่าง ในประเภทบุญมีการพบเห็นภิกษุเป็นต้นเลยลำดับนั้นบิดาของนางให้รู้สึกไม่สบายใจโดยคิดว่าธิดาของเราได้รับทุกหนอจึงส่งทรัพย์ไป 15,000 หหาปนกะหาปะนะด้วยสั่งว่าในนครนี้มีหญิงคณิกาชื่อศิอริมา จงพูดว่าหล่อนจงรับทรัพย์วัน ล, ละหนึ่งพันกหาปณะนำะ น, นางมาด้วยกหาปณ ะ, ะเหล่านี้ทําให้เป็นนางบําเรอของสามีแล้วส่วนตัวทําบุญทั้งหลายเถิดนางให้เชิญนางสิริมามาแล้วพูดว่าสหายเธอจงรับกหาปณ ะ, ะเหล่านี้แล้วบําเรอชายสหายของเธอ สักกึ่งเดือนนี้เถิดนางเสริมานั้นรับรองว่าดีละนางพาเขาไปสำนักของสามีเมื่อสามีนั้นเห็นนางสิริมาแล้วกล่าวว่าอะไรกันนี่จึงบอกว่านายขอให้หญิงสหายของฉันบำเรนนายตลอดกึ่งเดือนนี้ ส่วนที่ฉันใครจะถวายทานและฟังธรรมตลอดกึ่งเดือนนี้เศรษฐีบุตรเห็นนางมีรูปงามเกิดความสิรีหาจึงรับรองว่าดีละตอนนางอุตราได้โอกาสทําบุญแม้นางอุตราแลนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์อย่าเสด็จไปที่อื่นพึงรับภิกษาในเรือนนี้แห่งเดียวตลอดกึ่งเดือนนี้รับปฏิญญาของพระศ า, าสดาแล้วมีใจยินดีว่าบัดนี้เราจะได้เพื่ออุปถากพระศ า, าสดาและฟังธรรมตั้งแต่นี้ไปตลอดจนถึงวันมหาปวรณาเที่ยวจัดแจงกิจทุกอย่าง ในโรงครัวใหญ่ด้วยกล่าวว่าท่านจงต้มข้าวต้มอย่างนี้จงนึ่งขนมอย่างนี้ครั้งนั้นสามีของนางคิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันมหาปรวรณายืนตรงหน้าต่างบ่ายหน้าไปทางโรงครัวใหญ่ตรวจดูอยู่ด้วยคิดว่านางอันพานนั้นเที่ยวทำอะไรอยู่หนอแล แลเห็นทิดาเศรษฐีนั้นขมุกขมอมไปด้วยเหื่อเปรอะด้วยเท่ามอมแมมด้วยฐานและขมเมาเที่ยวจัดทาอยู่อย่างนั้นจึงคิดว่าผู้โถหญิงอันพานไม่เสวยสมบัติมีสิริเช่นนี้ในฐานะเห็นป่านนี้กลับมีจิตยินดีว่าเราจะอุปถากสมณะศรีรษะล้นเที่ยวไปได้ จึงหัวเราะแล้วหลบไปมเมื่อเศรษฐีบุตรนั้นหลบไปแล้วนางสิริมาซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ของเขาคิดว่าเศรษฐีบุตรนั่นมองดูอะไรหนอ แ, แลจึงหัวเราะจึงมองลงไปทางหน้าต่างนั่นแหละเห็นนางอุตราแล้วคิดว่าเศรษฐีบุตรนี้หัวเราะก็เพราะเห็นนางคนนี้ ความชิดชมของเศรษฐีบุตรนี้คงมีกับด้วยนางเป็นแน่ตอนนางสิริมาหึงนางอุตราเอาเนยใสยเดือดรถดได้ยินว่านางสิริมานั้นแม้อยู่เป็นพาหิรักสตรีในเรือนนั้นตลอดกึ่งเดือนสเสวยสมบัตินั้นอยู่ ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเป็นหญิงภายนอกได้ทำความสำคัญว่าตัวเป็นแม่เจ้าเรือนนางผูกอาฆาตต่อนางอุตราว่าจากต้องยังทุกข์ให้เกิดแก่มันจึงลงจากประสาทเข้าไปสู่โรงครัวใหญ่เอาทพีตักส ป, ปิอันเดือดพล่านในที่ทอดขนมแล้วก็เดินมุ่งหน้าตรงไปหานางอุตรา นางอุตราเห็นนางสิริมานั้นเดินมาจึงแผ่เมตตาไปถึงนางว่าหญิงสหายของเราทำอุปการร่างแก่เราม า, จากจักรวาลก็แคบเกินไปพรหมโลกก็ต่ำนักส่วนคุณของหญิงสหายเราใหญ่มากก็เราอาศัยนางนั่นจึงได้เพื่อถวายทานและฟังธรรม ถ้าเรามีความโกรธเหนือนางศิริมานั้นสัปีนี้จงลวกเราเถิดถ้าไม่มีอย่าลวกเลยเนยใสยซึ่งเดือดพล่านที่นางศิริมานั้นรดลงเบื้องบนนางอุตรานั้นได้เป็นเหมือนน้ําเย็นลําดับนั้นพวกทาสีของนางอุตราเห็นนางผู้ตักให้เต็มทัพีอีก ด้วยเข้าใจว่าเนายใสนี้คงจกเย็นถือเดินมาอยู่จึงคุกขามว่านางหัวดือ้อเจ้าจงหลีกไปเจ้าไม่ควรจะรสสับ ป, ปิที่เดือดพลาดบนเจ้าแม่ของพวกเราแล้วต่างลุกขึ้นจากที่นี้บ้างที่นั้นบ้างใช้มือบ้างเท้าบ้างทุบถีบให้ล้มลงบนพื้น นางอุตราไม่สามารถจะห้ามปรารามนางทาสีเหล่านั้นได้ทีนั้นนางจึงห้ามทาสีทุกคนที่ยืนคร่อมอยู่ข้างบนนางสิริมานั้นแล้วถามว่าเพื่อประสงค์อะไรเธอจึงทำกรรมหนักถึงป่านนี้ดังนี้แล้วโอวาทนางสิริมาให้อาบด้วยน้ำอุ่นทาด้วยน้ำมันที่หงตั้งหนึ่งร้อยครั้ง ตอนนางศิริมารู้สึกตัวขอโทษนางอุตราขณะนั้นนางศิริมานั้นรู้ตัวว่าเป็นหญิงภายนอกแล้วคิดว่าเรารถสับ ป, ปิที่เดือดพล่านลงเบื้องบนนางอุตรานี้เพราะเหตุเพียงความหัวเราะของสามีทํากรรมหนักแล้วนางอุตรานี้ ไม่สั่งบังคับพวกทาสีว่าพวกเธอจับเขาไว้กลับห้ามพวกทาสีทั้งหมดแมในเวลาที่ข่มเหงเราได้ทำกรรมที่ควรทํำเก่าเราเท่านั้นถ้าเราไม่ขอให้นางอุตรานี้อดโทษให้ศีรษะของเราพึงแตกออกเจ็ดเสี่ยงดังนี้แล้วจึงหมอบลงเท้เท้าของนางอุตรานั้นแล้วกล่าวว่า คุณแม่ขอคุณแม่จงอดโทษให้ดิฉันเถิดนางอุตตราดิฉันเป็นธิดาที่มีบิดาเมื่อบิดาอดโทษให้ก็จักอดโทษให้นางสิริมาคุณแม่ข้อนั้นจงยกไว้เถิดดิฉันจักให้ท่านปุณณเศรษฐีผู้บิดาของคุณแม่อดโทษให้ด้วย นางอุตราท่านปุณะเป็นบิดาบังเกิดกล้าวของดิฉันในวัตะแต่เมื่อบิดาผู้บังเกิดกล้าวในวิวัตะอดโทษให้ดิฉันจึงจกอดโทษนางสิริมาก็ใคร่เล่าเป็นบิดาบังเกิดกล้าวของคุณแม่ในวิวัตะนางอุตรา พระสัมมาสัมพุทธเจ้านางเสิ็มาที่ฉันไม่มีความคุ้นเคยกับพระองค์นางอุตราฉันจะทําเองพรุ่งนี้พระสัสดาจักทรงพาภิกษุสงฆ์เสด็จมาที่นี้เธอจงถือสการะตามแต่จะได้มาที่นี้แหละแล้วขอให้พระองค์อดโทษเถิด ตอนนางสิริมาขอให้พระสัสดาทรงอดโทษนางสิริมานั้นรับว่าดีละคุณแม่ลุกขึ้นแล้วไปสู่เรือนของตนสั่งหญิงบริวารห้าร้อให้ตราเตรียมขาทนิยะและสูเปยยะต่างๆอย่างรุ่งขึ้นก็ถือสการะนั้นมาเรือนของนางอุตรา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 เจ้ามีความผิดอะไรนางสิริมาพระเจ้าค่าวันนี้หม่อมฉันได้ทำกรรมเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นหญิงสหายของหม่อมฉันอย่างห้ามทาสีซึ่งเบียดเบียนหม่อมฉันได้ทำอุปการะแก่หม่อมฉันโดยแท้หม่อมฉันนั้นรู้สึกถึงคุณของนางนี้ จึงขอให้นางนี้อดโทษเมื่อเป็นเช่นนั้นนางกล่าวกับหม่อมฉันว่าเมื่อพระองค์ทรงอดโทษให้จึงจักอดโทษให้พระสัสดาอุตราได้ยินว่าอย่างนั้นหรือนางอุตราอย่างนั้นพระเจ้าค่าวันนี้หญิงสหายของหม่อมฉัน ได้รถสับ ป, ปิที่เดือดพล่านบนศีรษะของหม่อมฉันพระสัสดาเมื่อเช่นนั้นเธอคิดอย่างไรนางอุตราหม่อมฉันคิดอย่างนี้ว่าจักรวาลแคบนักพรหมโลกก็ยังต่ำเกินไปคุณของหญิงสหายข้าพระองค์เท่านั้นใหญ่เพราะหม่อมฉันอาศัยเขา จึงได้เพื่อถวายทานและฟังธรรมทว่าหม่อมฉันมีความโกรธอยู่เหนือหนางนี้สัปปีที่เดือดพล่านนี้จงลวกหม่อมฉันเถิดหาไม่แล้วขออย่าลวกเลยแล้วได้แผ่เมตตาไปยังนางสิริมานีพระเจ้าค่าพระศาสดาตรัสว่าดีละดีละ อุตราการชนะความโกรธอย่างนั้นสมควรก็ธรรมดาคนมักโกรธพึงชนะด้วยความไม่โกรธคนด่าเขาตัดพ้อเขาพึงชนะได้ด้วยความไม่ด่าตอบตัดพ้อตอบคนตรหนีจัดพึงชนะได้ด้วยการให้ของของตนคนมักพูดเท็จพึงชนะได้ด้วยคำจริงดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่าอกโกเทนะชิเนโกทังอซาทุงซาทุนาชิเนชิเนกะดาริยังดานีนะสัจเจนาลิกาวาดินังพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ พึงชนะคนพูดเหลวไหลด้วยคำจริงตอนแกะอัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอกโกเทนะความว่าบุคคลผู้มักโกรธแลพึงเป็นผู้อันบุคคลพึงชนะด้วยความไม่โกรธผู้ไม่ดีคือผู้ไม่เจริญเป็นผู้อันบุคคลพึงชนะด้วยความดี ผู้ตรณีคือเหนียวแน่นจัดเป็นผู้อันบุคคลพึงชนะด้วยจิตคิดสละของของตนคนพูดหลอะแหละอันบุคคลพึงชนะด้วยคำจริงเพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงตรัสอย่างนี้ว่าอกโกเทนะชิเนโกทงังเป็นต้นในการจบเทศนานางศรีมาพร้อมด้วยสตรีทั้งห้าร้อย ตั้งอยู่แล้วในโสดาปติผลดังนี้แลเรื่องอุตราอุบาสิกา